ทำรักเธอคนเดียวทำให้ลาบากใจมากอยู่แล้วยังมีเขาเข้ามาแค่งเขามาแบ่งแย่งเธอจากฉันไปและเหมือนจะรู้ชะตาว่ามมีปัญญาสู้เขาได้และเมื่อต้องถอยทางไปไล่คนดันใจกนจะต้องนอนร้องไห้ จบบใจก็ใสให้รักไปเศรษใจเลื่อเลือ เดียวได้แต่รอขอเธอช่วยเต้นใจอยากไล่เขาไป ไ, ปไกลๆเธอคงมองใจฉันดีกว่านี้แค่เพียงเห็นเธอเคียงกันทำให้ฉันน้ำตาแทบหล่นไปเธอหลงเขาแล้วคนดีแต่ว่าทางนี้อย่าลืมว่ามีฉันในควเสียใจเลือ่อน ในเรื่องเรื่องทัดเธ อ, อยังคงเบื่อเอาไว้